ลมภาวนาเรื่อยมาที่วัดเรียบเมืองอุบลเกิดอุกขะห์นิมิตขึ้นมาในกระมลลักษณะที่มาปรากฏให้ได้ยนินเป็นร่างคนนอนตายอยู่ การกินแย่งกันไม่รู้สิ้นแยกเป็นชิ้นกระจัดกระจายร่างกายผู้พองเ น, าเน่าม็นทั่วบริเวณได้เห็นยิ่งน่าเบื่อหนา หลุดสังเวชมองดูอดผูไม่รู้คลายสมาธินนวิตปรากฏที่จิตแพรวคพายต่อไปเมื่อจิตได้ถอนขึ้นมาทัานเลยตรองแล้วลองนำไปศึกษาพิจารณาทุกกิริยาบทไปไม่ว่าอยนูนใด ใจใจไม่ได้สางสางจนนิมิตแห่งคนตายนานกลับกลายพปลันเป็นวงแก้วลงตรง ตามรำเร่ง เ, งเพลงโดยไม่ยอมลดละวงแก้วพันแปรไม่มีแน่นอนสักคราตลอดเวลาเป็นรูปรา่างต่างๆกันไปลาำล้นทวีโดยไม่มีจุดหมายหาแห่งใดเป็นจุด ที่ทีล้วนแตกต่างอย่างมากมีภาพนิมิตนี้ไม่มีประมาณสิ่งที่ท่านได้เห็นเกี่ยวกับนิมิตเป็นเหตุให้รู้สึกว่ามีมากมายจนไม่อาจจะนำมากล่าวจบสิ้นได้ ท่านพิจารณาในธรรมนองนี้ถึงสามเดือนโดยการเข้าๆออกๆออออทางสมาธิภาวนาพิจารณาไปเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้เห็นสิ่งที่จะมาปรากฏจนไม่มีทางสิ้นสุดแต่ผลดีปรากฏจากการพิจารณาไม่ค่อยมีพอเป็นเครื่องปรากฏยืนยันได้ว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องและแน่ใจเมื่อออกจากสมาธิประเภทนี้แล้วขณะกระทบกับอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ทั่วๆไปก็เกิดความวันไหว คือทําให้ดีใจเสีย ใ, ใจรักชอบและเกลียดชังไปตามเรื่องของอารมณ์นั้นๆหาความเที่ยงตรงคงตัวอยู่ไม่ได้จึงเป็นเหตุให้ท่านสํานึกในความเพียรและสมาธิที่เคยบําเพ็ญมาว่าคงไม่ใช่ทางแน่ถ้าใช่ทําไมถึงไม่มีความสงบเย็นใจและดํารงตนอยู่ด้วยความสม่ำเสมอแต่ทําไมกลับกลายเป็นใจที่วอกแวกคลอนแคลนไปตามอารมณ์ต่างๆอย่างไม่มีประมาณซึ่งไม่ผิดอะไรกับคนที่เขาไม่ได้ฝึกหัดภาวนามาเลย ชรยจะเป็นความรู้ความเห็นที่ส่งออกนอกซึ่งผิดหลักของการภาวนากระมังจึงไม่เกิดผลแก่ใจให้ได้รับความสงบสุขเท่าที่ควรท่านจึงทําความเข้าใจเสียใหม่โดยย้อนจิตเข้ามาอยู่ในวงแห่งกายไม่ทรงใจไปนอกพิจารณาอยู่เฉพาะกายตามเบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางโดยรอบด้วยความมีสติตามรักษาโดยการเดินจงกรมไปมามากกว่าอิริยาบถอื่นๆ แม้เวลานั่งสมาธิภาวนาเพื่อพักผ่อนให้หายเมื่อยบ้างเป็นบางการก็ไม่ยอมให้จิตรวมสงบลงดังที่เคยเป็นมาแต่ให้จิตพิจารณาและท่องเที่ยวอยู่ตามร่างกายส่วนต่างๆเท่านั้นถึงเวลาพักผ่อนนอนหลับก็ให้หลับด้วยการพิจารณากายเป็นอารมณ์